ขอย้อนทบทวนในข้อความในจุละมหาสัจกะสูตรเนี่ยนะมหาสัจกะสูตรนั้ น, ะ น, นโดยเนื้อหาที่เป็นหลักเลยก็คือสัจการนิคร น, นั้นเข้าไปสอบถามพระพุทธเจ้าคือเป็นการสอบถามเพื่อจะเพ่งโทษะนะเป็นการสอบถามเพื่อจะติเตียนว่า สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เจริญแต่กายภาวนาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดความทุกข์ทางกายขึ้นพวกนี้ในที่สุดก็จะเพี้ยนไปจะวิปริตวิปลาดไปถึงความเป็นบ้าเลยแหละหรือสมณพราหมณ์เหล่าใดที่เจริญแต่จิตภาวนาไม่เจริญกายภาวนาถ้ามีความเสียใจขึ้นมาเนี่ยนะพวกนี้ก็จะถึงความเป็นบ้าเหมือนกันมันสรุปว่า เจริญแต่กายภาวนาอย่างเดียวก็ไม่ดีเจริญแต่จิตตภาวนาอย่างเดียวก็ไม่ดีมันจึงคู่ควรที่จะเจริญทั้งกายภาวนาและจิตตะภาวนาเพราะก็ถือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเจริญแต่จิตตภาวนาไม่เจริญกายภาวนาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าไอ้กายภาวนาของท่านเป็นยังไงนะกายภาวนาก็คือการทำตัวให้ทรมาน การทําตัวให้ลําบากที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียกว่าทําทุกขะกิรยิยานะนะทำตนให้เหนื่อยให้ยากให้ถึงความทุกข์ให้ถึงความลําบากเช่นเรื่องอาหารก็โอดโอดยากยากกินแต่เล็กกินแต่น้อยเนี่ยเลือกอาหารที่จะรับประทานนะเลือกอาหารที่สุดเหมือนกันแต่ใครให้แบบง่ายๆไม่เอาอะ่ะต้องทําอะไรแบบที่มันยากยา ก, ยากทั้งหลายแล้วก็ปริมาณอาหารที่บริโภคก็น้อยที่สุดค่อ ย, อยน้อยที่สุดเท่าที่จะ ทำได้และบางทีก็กินอาหารบูดเป็นต้นนั่นแหละแล้วก็ประกอบการกระโยงหรือที่เรียกว่าทรมานตนเนี่ยนะใช่พวกโยคะทั้งหลายเนี่ยนะพวกโยคะแต่ว่าถ้าโยคะแบบอยู่ประเภทอยู่อย่างนั้นทั้งวันวนเนี่ยนะนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญกายเนี่ยนะเรียกว่ากายพัฒนาดงนั้นกายพันากายพัวนาของเขาหมายถึงการทําตนให้ทุกข์ที่สุดลําบากที่สุดทรมานที่สุด ก็คือแบบพวกฤาษีทั้งหลายนะนะถ้าใครไปอินเดียนี่ก็อาจจะเห็นแล้วนะคือพวกฤาษีเกตที่ทำทุกรักกิริยาโดยประการต่างๆส่วนเขาบอกว่าเอาแล้วพวก เ, เคยมีตัวอย่างบ้างไม้มในพวกที่ประกอบกายภาวนาก็บอกว่าก็ยกตัวอย่างพวกนักบวชภายนอกเนี่ยนะนักบวชภายนอกซึ่งนักบวชทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะ ทำทุกระกิริยาอย่างนั้นตลอดไปใช่ไหมในที่สุดก็เวียนกลับมาบริโภคอาหารซึ่งพระองค์ก็ถามตอบอีกว่าแล้วจิตภาวนาของท่านเป็นยังไงก็ตอบไม่ได้ไม่เข้าใจพระองค์ก็บอกว่ากายภาวนาของท่านก็ไม่ใช่เป็นกายภาวนาในอริยวินัยนี้ไม่ใช่กายภาวนาในวินัยของพระอริยเจ้าในพระธรรมวินัยนี้แล้วพระองค์ก็แสดงถึง อย่างไรชื่อว่าไม่เจริญกายภาวนาไม่เจริญจิตตภาวนาอย่างไรชื่อว่าเจริญกายภาวนาเจริญจิตตภาวนาพูดถึงพวกที่ไม่เจริญกายภาวนาไม่เจริญจิตตภาวนาเนี่ยนะที่เราเรียกคาว่าไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตกายภาวนาในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาจิตตภาวนาหมายถึงสมาธิ พวกเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ไม่เจริญกายภาวนาคือวิปัสนาไม่เจริญจิตตะภาวนาคือสมาธิบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นได้รับความสุขสเสวยความสุขบุคคลที่ติดพวกนี้จะสยบตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความสุขมีความกำหนัดสยบลุ่มหลงกระวกกระ่นกินไวเบ็ดเสร็จไวใน สุขเวทนาเหล่านั้นติดพันติดใจลุ่มหลงอยู่ในความสุขเหล่านั้นเพราะบุคคลพวกนี้ไม่เจริญกายะภาวนาคือไม่เจริญวิปัสนาพวกที่ไม่เจริญวิปัสนาทั้งหลายผู้นี้ติดในความสุขมากส่วนทีน่นี้เมื่อความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ทั้งหลายก็เข้ามาแทนที่ะจิตทั้งหลายก็หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในความทุกข์ต่เรียกว่าเดือดร้อนลำบาก ทุกร้อนในความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นคือว่าทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเสียทั้งกายเสียทั้งใจเนี่ยนะเสียทุกอย่างถูกความทุกนั่นแหละครอบงําท่วมทับบุคคลเหล่านี้ก็เพราะไม่เจริญจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เจริญกายะภาวนาจึงติดในสุขผู้ที่ไม่เจริญจิตตภาวนาพวกนี้เนี่ยนะเศร้าโศกเดือดร้อนใจอยู่ในกองทุกข์นะนะสังเกตง่ายๆเดยนะหนึ่งว่า ถ้าเราได้ทั้งหลายได้รับความสุขเนี่ยสยบติดใจพัวพันลุ่มหลงคิดถึงแต่ความสุขทั้งหลายเหล่านั้นก็แปลว่าไม่ได้เจริญกายภาวนาคือไม่ได้เจริญวิปัสนาภาวนาถ้าหากว่าได้รับความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่สบายใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีเรื่องให้ลำบากใจมีเรื่องให้คับแค้นใจมีเรื่องให้เครียดหงุดหงิดไม่สบายใจเลย อันน <unlucky. S 2> ี dieses, ้ก <awa> ็แปลว่าเราไม่ได <ILY> ้เจริญจิตตภาวนาเนี่ยนะไม่มีจิตตภาวนาเมื่อไม่มีกายภาวนาจึงติดในสุขเมื่อไม่มีจิตตภาวนาจึงถูกความทุกข์ครอบงำท่วมทับอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่ไม่เจริญกายภาวนาไม่เจริญจิตตภาวนาส่วนผู้ที่เจริญกายภาวนาจิตตภาวนาผู้ที่เจริญกายภาวนาพวกนี้ไม่ติดในความสุข ผู้ที่เจริญจิตตะภาวนาพวกนี้จิตใจจะไม่ถูกทุกครอบงำเนี่ยนะจะไม่ถูกทุกครอบงำถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุผลว่ากายภาวนาเนี่ยเป็นฆ่าศึกต่อสุขใกล้ต่อทุกขั่นะจิตตะภาวนาเป็นฆ่าศึกต่อทุกใกล้ต่อสุข คือปกติเนี่ยนะวิธีแก้ปัญหาแบบพูดแบบในโลกเลยนะถ้าร้อนเรานึกถึงอะไรเย็นถ้าหิวคิดถึงอาหารคิดถึงความอิ่มถ้าหนาวนึกถึงความอบอุ่นถ้าทุกคิดถึงสุขถ้าได้รับความสุขไม่ค่อยคิดถึงสุขว่าเอ้ยไม่ค่อยคิดถึงทุกข์วะนะคิดแต่สุขที่ยิ่งย่งขึ้นไปเออแล้วทีนี้ถามว่าเอาบุคคลทั้งหลายเนี่ยในะอาการที่ถ้าถูกทุกครอบงําเนี่ยนะ ถ้าจะไม่ให้ไม่ให้จิตใจนี่สยบอยู่ในภายใต้อำนาจของความทุกข์ก็ต้องคิดถึงความสุขถ้าหากว่าถูกความสุขครอบงำถ้าจะไม่ให้ติดในสุขก็ต้องคิดถึงทุกข์บอกว่าวิปัสสนาเนี่ยนะใกล้ต่อทุกข์ขาศึกต่อสุขสมถะหรือจิตตภาวนาทั้งหลายใกล้ต่อสุขเป็นค่าศึกต่อทุกข์ ยกตัวอย่างเช่นว่าผู้ที่ไม่เจริญจิตตภาวะไม่เจริญกายะภาวนาคือไม่เจริญวิปั ส, สนาทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เพลิดเพลินในรูปนะแสวงหาความสุขจากรูปเพลิดเพลินในเสียงสแสวงหาความสุขในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมมารมทั้งหลายเมื่อมีความเพลิดเพลินสยบติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะทั้งหลายเหล่านั้นก็ติดข้องมากเมื่อติดข้องมากถามว่า มีวิธีคิดจะเปลื้องตนออกจากสิ่งเหล่านั้นไหมก็บอกว่าถ้าไม่เจริญกายภาวนาเนี่ยนะยากเพราะผู้ที่เจริญกายภาวนาคือวิปัสนาภาวนานั้นเนี่ยนะจะพิจารณาเห็นโทษของรูปพิจารณาเห็นโทษของเสียงของกลิ่นของรสของโภตาภะเนี่ยนะพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นพิษภัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบาก เป็นความเจ็บไข้เป็นของผู้อื่นเป็นของมิใช่ตนเนี่ยนะเป็นของที่เจือปนไปด้วยชาติชรลาและมรณะเนี่ยนะอากูลไปด้วยโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะเป็นของที่อันปัจใจปรุงแต่งเป็นของที่เป็นเหยื่อมานเบ็ดมานวิสัยมานอารมณ์แห่งมานเป็นต้นถ้าวิเคราะห์โดยแงย่มุมต่างๆโดยวิปัสสนาเนี่ยนะเรียกว่าเพ่งโทษวิปัสสนาก็คือเพ่งโทษ เป็นลักขณูปนิชฌานแพ่งลักษณะก็คือแพ่งลักษณะที่เป็นจริงแพ่งโทษตามเป็นจริงของสังขารทั้งหลายโทษที่เป็นจริงของสังขารคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาเมื่อเห็นพิษภัยทุกโทษความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความแปรปรวนไปของสังขารทั้งหลายเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยนะจิตก็น้อมไปเพื่อคลายกำหนัดเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ติดใน ความสุขเพราะเห็นสุขทั้งปวงเหล่านี้โดยความเป็นทุกข์เสียจแล้วเห็นทุกข์เหล่านี้นี่แหละเป็นเหมือนกับลูกศรเมื่อเห็นความสุขทั้งหลายเหล่าเนี้โดยความเป็นทุกข์ว่าความสุขทั้งหลายเหล่านี้ก่อนที่จะมีสุขก็เป็นความทุกข์เมื่อหมดความสุขก็เป็นความทุกข์อีกต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตก็ไม่น้อมไปเพื่อกําหนัดติดข้องใน ในสุขก็เพราะมีวิปัสสนาภาวนามนุษคนที่เจริญวิปัสสนาภาวนานั้นจึงไม่ติดในการมาคุณที่เป็นของมนุษย์ไม่ติดในการมคุณทั้งที่เป็นของทิพย์ไม่ติดในรูปประพบรูปอรูปประพบทั้งหลายไม่ติดในการมาพบรูปประพบและอรูปประพบทั้งหลายเพราะบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษตามความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะที่เกลือยกล้วไปด้วยชาติชราและ มรณนะและเป็นที่โคจรแห่งราคะโทสะและโ ม, มหะเป็นที่โคจรแห่งบาปอากุศลธรรมทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจึงไม่ติดในสุขเวทนาที่ปนเป็นผลผลิตของทวารตา ไม่ติดในสุขเวทนาที่เป okay. okay. ็นผลผลิตในวาวรหูไม่ติดในสุขเวทนาที่เป็นผลผลิตในวาวรจมูกไม่ติดในสุขเวทนาที่เป็นผลผลิตจากถาวรลิ้นเนี่ยนะคือว่าไม่แสวงหาความสุขจากการชิมการลิ้มรสเนี่ยนะไม่แสวงหาความสุขที่รับกระทบผลธพะทั้งหลายไม่แสวงหาความสุขจากการคิดนึกในมโนถาวรทั่วไปถามว่าเพราะอะไรเพราะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ตามความ เป็นจริงเนี่ยนะเพ่งโทษเห็นโทษตามความเป็นจริงว่าความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความจริงของอสังขารธรรมทั้งหลายในทวารตาเนีย่ยนะทั้งตาสีจกักรวิญ ญ, ญาณพัสสาะเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ความจริงในทวารหูเนี่ยนะก็คือสังขารธรรมในทวารหูไม่ว่าจะเป็นหูเสียงโสตวิญญาณภาษาเวทนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ทวารเหล่าใดถ้าไม่ได้รับการพิจารณาไม่ได้รับการกำหนดรอบรู้ไม่มีการใครครวญทวารเหล่านั้นจะนำมาซึ่งราคะโทสะและโมหตัวทวารทั้งหลายเหล่านี้ก็เกลือกกล้วไปด้วยสิ่งที่มี <inadvert> um. ความเกิดเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเป็นที่ตั้งแห่งความโศกเป็นธรรมดาเสียใจเนืองๆเมื่อได้เห็นเสียใจเนืองๆเมื่อได้ยินเสียใจเนืองๆเมื่อรู้กลิ่นเสียใจเนืองๆเมื่อรับรู้รสเสียใจเนืองๆเมื่อทุกข์พังร่างกายและจิตใจเนี่ยนะมีเรื่องให้ไม่สบายใจเรื่อยๆเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นแดนโคจรแห่งความโกรธ ตาหูจมูกลิ้นคายใจเป็นที่โคจรแห่งความโลภสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่งหลงทําให้เกิดความสงสัยทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหลายพผู้ที่ไม่เจริญกายะภาวนาไม่เจริญวิปัสนาภาวนาจึงหลงเลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่แท้จริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์แต่เนื่องจากตัวเองไม่เจริญกายะภาวนาคือวิปัสนาไว้เป็นอย่างดีนั้นจึงกําหนัดสยบ ติดข้องแล้วก็ลุ่มหลงทีนี้ผู้ที่ไม่เจริญจิตตะภาวนาเลยเนี่ยนะถามว่าในโลกนี้มั น, มนเป็นมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ว่างั้นเถอะโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะอย่างวัตถุภายนอกทั้งหลายโดยมากเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเหงื่อท่วมเลยไหมตรงไหนว่าเหงื่อไม่ท่วมตรงไหนเลือดไม่ตกอย่างไม่ออกที่ไหนไม่มีการตายเนี่ยนะหายากเต็มทีอาจจะมีแต่แทบจะไม่มีนะ มันทุกอย่างทุกคนทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งร่างกายและทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจแม้กระทั่งเรื่องไม่เป็นเรื่องทุกคนไม่สบายใจได้หมดอ่ะทวารตาก็ทำให้ไม่สบายใจได้เนี่ยะเพราะอะไรเพราะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพลาดพลาดไม่ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นพลากจากสิ่งที่ตัวเองควรเห็นไม่ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองควรจะเห็นไปเห็นในสิ่งที่ไม่อยากจะเห็น เกลียดเต็มทีแล้วต้องเห็นเนี่ยเสียใจไหมเสียใจอยู่แล้วเนี่ยนะโศกสะอยู่แล้วเครียดอยู่แล้วอนนะหาคอยของอันเป็นที่รักหายไปของอันไม่เป็นที่รักปรากฏให้เห็นเฉพาะหน้าเนี่ยแม้ทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยเอาไม่มีทวารตาตัดปัญหาไปทวารหูอีกแล้วไม่ได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะฟังไม่ได้ฟังในสิ่งที่อยากฟังได้ฟังในสิ่งที่ ไม่อยากฟังเช่นคำชื่นชมนี่อยากจะฟังมากกลับได้ถูกด่ากลับมาอย่างนี้นะเนั้นจะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะานัทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเพราะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักบ้างเพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างเพราะปรารถนาแล้วไม่เป็นหนังใจที่ปรารถนาบ้างปรารถนาจะเห็นอย่างที่ที่ตัวเองอยากจะเห็นก็ไม่สมหวัง ปรารถนาจะฟังในสิ่งที่อยากฟังก็ไม่สมหวังปรารถนาอยากจะได้กล <languages> <language> ิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นที่ตัวเองใฝ่ฝันก็ไม่สมหวังปรารถนารถที่ตัวเองต้องการก็ไม่สมหวังปรารถนาสัมผัสสุขภาพที่ดีก็ไม่สมหวังปรารถนาจะคิดอย่างที่ตัวเองอยากจะคิดแต่ก็ไม่คิดอย่างไม่คิดได้อย่างที่ใจอยากจะคิดเมื่อคิดไม่ได้อย่างใจคิดก็เสียใจขึ้นมาน่นะหรือรับเรื่องราวอันเป็นที่ตั้งแห่งความ เสียใจเนี่ยนะก็โลกนี้อย่างที่กล่าวว่าเปื้อนไปด้วยคราบเหงือ่อคราบเลือดคราบน้ำตาเนี่ยนะคราบโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเพราะฉะนั้นถามว่าในท่ามกลางโลกที่อาเกียนเกลือยกล้วไปด้วยความโศกเนี่ยทำยังไงให้มันเย็นลงบ้างทำยังไงดี